มีสติดูจิตเห็นความคิดเกิดปัญญาช่างมันเถอะเราทําของเราไปเมื่อมีอารมณ์อะไรมาก็ให้พิจารณามันไปเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทิ้งลงใส่สามขุมนี่เลยแล้วคิดไปพิจารณาไปเรื่องอารมณ์นั้นโดยมากเรามีแต่เรื่องคิดคิดตามอารมณ์ เรื่องคิดกับเรื่องปัญญามันคนละอย่างมันพาไปอย่างนั้นก็คิดตามมันไปถ้าเป็นเรื่องความคิดมันไม่หยุดแต่เรื่องปัญญาแล้วหยุดอยู่นิ่งไม่ไปไหนเราเป็นผู้รับรู้ไว้เมื่ออารมณ์อันนี้อันนั้นมาจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเรารู้รู้ไว้เมื่อถึงที่สุดแล้วก็ว่าเออเรื่องเจ้าคิดเจ้านึก เจ้าวิตกเจ้าวิจารมานี้เรื่องเหล่านี้มันไม่เป็นแก่นสารทั้งหมดเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิน้นตัดบทมันเลยทิ้งลงใส่ไตรลักษ์เลยยุบไปรันนั่งต่อไปอีกมันก็เกิดขึ้นอีกเป็นมาอีกเราก็ดูมันไปสะกดรอยมันไปเปรียบเหมือนกับเราเลี้ยงควายหนึ่งต้นข้าว สองควายสามเจ้าของควายจะต้องกินต้นข้าวต้นข้าวเป็นของที่ควายจะกินจิตของเราก็เหมือนควายอารมณ์คือต้นข้าวผู้รู้ก็เหมือนเจ้าของการปฏิบัติเป็นเหมือนอย่างนี้ไม่ผิดเปรียบเทียบดูเวลาเราไปเลี้ยงควายทำอย่างไรปล่อยมันไปแต่เราพยายามดูมันอยู่ ถ้ามันเดินไปใกล้ต้นข้าวเราก็ตวาดมันควายมันได้ยินก็จะถอยออกแต่เราอย่าเผลอนะถ้ามันดื้อไม่ฟังเสียงก็เอาไม้ค้อนฟาดมันจริงๆมันจะไปไหนเสียมันจะได้กินต้นข้าวหรือแต่เราอย่าไปนอนหลับกลางวันก็เล่ากันถ้าคืนนอนหลับต้นข้าวหมดแน่แน่เรื่องปฏิบัติก็เช่นกัน เมื่อเราดูจิตของเราอยู่ผู้รู้ดูจิตเจ้าของผู้ใดตามดูจิตผู้นั้นจัดพ้นจากบ่วงของมันจิตก็เป็นจิตแล้วใครจะมาดูจิตอีกเล่าเดี๋ยวก็งงงันเท่านั้นจิตอันหนึ่งผู้รู้อันหนึ่งรู้ออกมาจากจิตนั้นรู้จิตเป็นอย่างไร ศพอารมณ์เป็นอย่างไรปราศจากอารมณ์เป็นอย่างไรผู้ที่รู้อันนี้ท่านเรียกว่าผู้รู้ผู้รู้จะตามดูจิตผู้รู้นี้จะเกิดปัญญาจิตนั้นคือความนึกคิดถ้าพบอารมณ์นั้นก็แวะไปถ้าพบอารมณ์อีกมันก็แวะไปอีกเหมือนกับควายเรานั่นแหละ มันจะไปทางไหนเราก็ดูมันอยู่มันจะไปไหนได้มันจะไปใกล้ต้นข้าวก็ตวาดมันอยู่ว่ามีฟังก็ถูกไม้ค้อนเท่านั้นทรมานมันอยู่อย่างนี้จิตก็เหมือนกันเมื่อถูกอารมณ์มันจะเข้าจับทันทีเมื่อมันเข้าจับผู้รู้ต้องสอนต้องพิจารณามันว่าดีไม่ดีอธิบายเหตุผลให้มันฟัง มันไปจับสิ่งอื่นอีกมันนึกว่าเป็นของน่าเอาผู้รู้นี้ก็สอนมันอีกอธิบายให้มีเหตุผลจนมันทิ้งอย่างนี้จึงสงบได้จับอะไรมาก็มีแต่ของไม่น่าเอาทั้งนั้นมันก็หยุดเท่านั้นมันขี้เกียจเหมือนกันเพราะมีแต่ถูกด่าถูกว่าเสมอทรมานเหมือนเข้าทรมานเข้าไปถึงจิตอัดมันอยู่อย่างนั้นละ่ะ